วความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมงประพธิยานได้นำเสนอเรื่องพระธรรมจากกวัตนสูตรมาถึงช่วงที่ทรงแสดงเรื่องสมาธิิคือปัญญาเน้นชอบตามความเป็นจริงแล้ที่บอกไว้แล้วว่า ในพระธรรมาจั ก, กรวัฒนสูตรนั้นไม่ส่งขยายความออกไปว่าอริยมรรคแต่ละข้อนั้นโดยเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์นี่เป็นยังไงแต่ว่าทรงอธิบายไว้โดยพิสดารในที่อื่นเช่นมหาสติปัฏฐานาสูตรเป็นต้นในความเป็นสัมมาทิฏฐิในส่วนที่เป็นองค์มรรค ส่งแสดงว่าความรู้ในทุกความรู้ในเหตุเกิดแห่งทุกความรู้ในความรับทุกขความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความรับทุกซึ่งก็ได้กล่าวมาถึงชุดที่เป็นอริยมรรคใองค์ปดประการโดยเฉพาะที่เรียกว่าทุกข์นิโรธามินีปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความสงบระงับแห่งทุก ก็ส่งเน้นไปที่อริยสัจทั้งสประการดังที่กล่าวแล้วแต่ว่าเป็นลักษณะของความรู้ที่เกิดผุดขึ้นภายในพระไถยภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติมันจะผ่านกระบวนการของสมถะแล้วก็มาวิปัสนาหรือเรื่องวิปัสสนาความก็ดังมันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่ายานก็ดีวิ ช, ชาก็ดีปัญญาก็กดีแสงสว่างก็ดีก็แล้วแต่จะเรียกนะชื่อมันเยอะ ตรงนี้เรียกว่าสัมมายานะคือความรู้ในทางที่ชอบจะเกิดผุดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็กลายเป็นพยานสามประการพยานข้อแรกเป็นการรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในริยศสัตย์ทั้งสี่ประการ คือรู้ว่านี้เป็นทุกนี้ให้เกิดแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกสงนี้เรียกว่าสัจจญาณคือรู้ความจริงแห่งอริยสัจแต่ละข้อตามสถานะที่แท้จริงของเขาประการที่สองเป็นญาณที่เกิดผุดขึ้นภายในพระไตยของพระองค์ โดยพื้นฐานการปฏิบัติพัฒนามาถึงจิตที่สงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นสมาธิไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้นะความรู้ก็เกิดผุดขึ้นภายในพระไทยวันนี้ทุกทุกขวนกำหนดรู้ปัญญาที่บอกไว้แล้วว่าทุกนั้นก็ไม่รู้จะทำอะไรกับมันนะ เพราะมันเป็นผลพวงที่สืบเนื่องมาจากความเกิดความเกิดนั้นถือว่าเป็นทุกข์ใหญ่ที่สุดวันก่อนได้ฟังเทพของพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งฟังแล้วก็น่ากลัวนะฮะคือท่านอธิบายสังสารวัตรเป็นขนาดจิตในที่นี้เดี๋ยวนี้ท่านก็เน้นก็ท่านอย่างนั้นเราฟังมาได้สองมวลเลยต้องเลิกฟังเลย เพราะอะไรเพราะว่ามันคือถ้าไม่มีสังสารวัฏไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีปาโลกคือโลกอื่นเนี่ยรเราเห็นว่าการปฏิบัตธิธรรมะทั้งหลายไม่มีความจําเป็นอะไรเลยเพราะาชีวิตมันจบลงที่ความตายให้คนอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของบ้านเมืองก็พอแล้วไม่จาเป็นจะต้องสร้างสมบุญกุศลอะไรมากมาย แต่เพราะว่าโลกมันเป็นวัตตจักรว่าในวัตตจักเนี่ยมันไม่ได้ขนาะนั้นๆเพียงอย่างเดียวไอ้ขณะนั้นๆมันพูดได้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงอย่างนั้นจะต้องจับประเด็นให้ได้เลยเช่นว่าเราคิดเราคิดด้วยอําน้าความโกรธก็แสดงว่าเราก็เป็นสัตว์นกเราคิดด้วยความโลภเราแสดงว่าเราเป็นเปรตเราคิดด้วยหิริอุตรปะก็แสดงว่าเราเป็นเทวดา แล้วกายเป็นกิเลสกรรมไม่ปัอย่าลืมวาความเกิดนนั้พระพุทธเจ้าไม่เคยใช่อย่างนั้นนะแล้วท่านก็อ้างว่าตามที่พระเจ้าแสดงอาตมาก็เรียนไปในบิดกมันนานนะฮะนั่คือปกถ้าพูดถึงความเกิดพระพุทธเจ้าจะแสดงชาตินะฮะที่แปลว่าความเกิดเนี่ยจะแสดงความเกิดในกําเนิดทั้งสี่ตลอดทุกคราว เธอใช้คำอื่นไม่แน่นะใช้คำอื่นเช่นอุปัชิอุปนโนอุปดปาปดีอะไรแต่ไรเนี่ฮะก็ไม่แน่ใจใช้คำว่าชาติจะหมายถึงการเกิดในกําเนิดทั้งสี่คือเกิดใ น, นคันเกิดในไข่เกิดในของสกปรกหรือเกิดโดยผุดขึ้นจะไม่ใช้ในความหมายอย่างอื่นเพราะแม้แต่าชาติในปฏิจจสมุปบาทก็หมายถึงการเกิดหลังจะตายไปแล้ว ตอนในตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีกิเลสกับกรรมอยู่คือตัณหากับอุปาทานนันเป็นกิเลสแล้วก็พบเนี่ยเป็นกรรมอาภพคือสังขารพบเนี่ยก็เรียกสังขารพบด้วยวงทีก็เรียกว่ากรรมอาภพคือกรรมที่จะนำไปสู่พบแล้วก็กลายเป็นกิเลสกับกรรมก็บิบากคือการเกิดนั้นเป็นบิบาก็เรียกว่าเป็นบิบาาขันคือขันที่เป็นบิบาก หมายความถ้าเราไม่มีกิเลสไม่มีกรรมเราก็ไม่เกิดด อ, อกที่ประเด็นสำคัญอย่างยิ่งคือพระพุทธศาสนาสแสดงคําสอนเพื่อประโยชน์สามประการไอ้ น, นี้เราจะเ จ, เจอทุกแห่งเลยแม้แต่ท้ายกองศีห้านะไม่ต้องไปไกลหรอกท้ายกองศีห้านะี่ท่านจะเห็นว่าสแสดงถึงประโยชน์สามระดับศีลอนโภกสัมพดา บุคคลจะสมบูรณ์ในพวกคุณสมบัติได้ก็พระศีลเป็นการแสดงทิฏฐธรรมะกระทั่งประโยชน์คือประโยชน์ที่บุคคลจะพึงได้ในปัจจุบันแล้วก็ทรงแสดงธรรมะพฤการนี้เอาไว้นะฮะเช่นหัวใจเศรษฐีคือสารนสัมปทาสมบูรณ์ในความหมั่นขยันในการปฏิบัติภารกิจการงานตามสมควรแก่หน้าที่ของตนรักษะสัมปทาสมบูรณ์ในความหมั่นขยันในการปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นแล้วก็ ทีสำคัญอย่างยิ่งก็คือรู้จักบริหารจัดการกับทรัพย์สมบัติเหล่านั้นตัวหลักที่ท่งสอนไวน้ในที่อื่นเนี่ยสงแสดงว่าให้แบ่งทรัพย์ออกเป็นสี่ส่วนสองส่วนเนี่ยใช้ประกอบธุรกิจต่อไปหนึ่งส่วนเนี่ยใช้เลี้ยงดูตนเองในครอบครัวอีกหนึ่งส่วนก็ใช้เก็บออมเอาไว้แต่ประเด็นที่สำคัญที่ทรงเน้นมากเนี่ยคือว่ารายได้จะต้องมากกว่ารายจ่าย และได้แต่ได้จะต้องเกินรยจ่ายเสมอถ้ามาอย่างนั้นแล้วชีวิตก็จะลาบากมากแล้วก็กัญยาณมิตราตาเกิดข้อผ่านสมาคมกับคนดีร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมร่วมผลประโยชน์กับบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแม้แต่ภายในครอบครัวนะก็ต้องร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมร่วมผลประโยชน์ด้วยกันแล้วก็ต้อง รู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยทรัพย์สมบัติเหล่านั้นที่ทรงใช้กับมาสมาชีวิตาในขณะนี้ก็ทรงแสดงถึงากูลนั้นมัง่งคั่งจะตั้งอยู่ไม่ได้นานพระสถาน4คือไม่แสวงหาพัสะดุที่หายไม่บนุนะซ่อมแซมปรับปรุงพัสะดุที่คร่าคร่าแล้วก็ไม่รู้จักประมาณในการบริหารการใช้สอยทรัพย์สมบัติ หรือว่าน่าครอบครัวนั้นไม่อยู่ตั้งไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมและประเด็วนวศีลที่สงแสดงเนี่ยมันเป็นธรรมศาสังคมเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีของสังคมถรือถ้ า, ากว่าสังคมได้สงบอยู่ในบทบัญญัติแห่งศีลหรือแต่งคนก็ถือว่าศีล น, นั้นเป็นวิถีชีวิตแบบคุดนะฮะ สังคมก็จะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้โดยไม่มีการประทุษร้ายเปลี่ยนเปลี่ยนกันแล้วภาษีเรนในสุขติเนติบุคคลจะบังเกิดในสุขติได้ก็ภาษีสุขติคือพบหน้าเลยนะฮะที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยแล้วแสดงเหมือนกันทุกคำบาลีได้ทำไป กายัสะเพดาปรมน า, าสุกติงสักกังโลกังอุปปัชชะติเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกจะเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ทงใช้คำมาอย่างนั้นถ้ากุศลระดับสังสารวัฏเนี่ยจะใช้อย่างนั้นตลอดมนนันานจะเป็นพรหมโลกูปโคโคติเนี่ยเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกเนี่ยมันต้องเป็นพวกระดับฌานนะฮะหรือถ้าระดับศีลธรรมญาณนั้นก็จะรับสั่งอย่างเนี้ย และสีเรนี้ปุติยันติเนี่ยบุคคลจะบรรลุมโหดนิพพานได้ก็เพราะสิ่นนั่นหมายถึงข้อปฏิบัติระดับที่เรียกว่าเป็นปรมัตาประโยชน์คือประโยชน์อย่างสูงสุดเพราะในกิเลสกรรมวิบากเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆกิเลสลดลงกรรมประนีขึ้นนะฮะวิบากก็ประนีขึ้นเขาเรียกว่าตกแต่งพระชาติได้มีความประนีคือยังเป็นห่วงนะเทปนี้ทําดีมากเลย แต่ว่าเป็นการอัดมาจากการบรรยายเอาปรมพระนวกกัปประความถึงเมื่อที่เมื่อที่สองนี่มืนเลยนั่งในรถมาโบโกโหหลวงพ่อเล่นสอนอย่างนี้ก็แย่แล้วาศาสนาเนี่ยคือเราจะต้องเข้าใจนะฮะว่าพระพุทธศาสนานั้นในส่วนวัตถกรมมีกุศลเนี่ยหมายความมากุศลระดับที่คนยังต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏอยู่ในกระบวนการของกิเลสกรร ม, มบิดา ความเชื่อในเรื่องสังสารวัตซึ่งเป็นผลพวงมาจากอุเพนิวาสารตยานของพระพุทธเจ้าและความเชื่อในกระบวนการของกรรมบุพุญของกรรมซึ่งเป็นผลพวงมาจากจุตูปปาตยานหรือกรรมมัวิปากยานของพุทธเจ้าเนี่ยศาสนาไปาไม่ได้หรอกถ้าปราะศ จ, ะจากความเชื่อส่งนี้มันขยเยื่ไม่ได้เลย เพราะอะไรเพราคนสำนึกรับผิดชอบเนี่ยตบบาปกรรมเนี่ยจะต่ํามองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังไม่เห็นใครแล้วก็พร้อมที่จะทําความชั่อแต่ความเชื่อนั้นจะต้องอย่างรากลึกอยู่ไปในจิตใจของบุคคลจนเป็นผู้รังเกียจบาปขยะแยงต่อ บ, บาปไม่พูดบาปไม่ทำบาปไม่คิดบาปเลยมันต้องเข้าถึงตรงนั้นนะนะต้องเข้าถึงระดับนั้นถ้าไม่อย่างนั้นแลยังแกว้งอย่างนี้น ดังนั้นปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ถ้าเราอ้างว่าพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยมันต้องอ้างว่ามาจากไหนมันต้องบอกที่มาด้วยนะฮะไม่จะพูดหลวงพ่อเจ้าว่าอยู่เรื่อยๆแล้วก็ท่านก็สับสนในคัมภีพระไตรบิฎกแตนบอกที่ท่านรู้เห็นเนี่ยรู้เห็นด้วยกรรันดูกิเลสเองแต่ว่าดูหนังสือนะั่นไมไ่รู้เรื่องเนะี่ยนั่นคือแสดงว่าท่านสับสนเท่านสับสนว่า พระบาลีไตรบิดดกนั้นเป็นพระพุทธวจนะที่ออกมาจากโอทของพระพุทธเจ้าขณะพระเจ้าทรงแสดงเนี่ยแสดงเมื่อตรัสรู้อนุตตรสมาสมพทิยานแล้วเพราะนั้นเป็นธรรมะจากค า, าทยมันมีฐานะเป็นปฏิเวทมีฐานะเป็นปฏิเวทโดยสถานภาพของเขานะ่มีความเป็นปฏิเวทแต่พอเราต้องอ่านพอเราต้องฟังสำหรับเราก็เป็นปริยัติแต่เมื่อเรา นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วนี่ผลจะต้องลงตรงกับที่ทรงแสดงไว้ในปฏิปิดดุถ้าไม่ตรงกันถือว่าใช้ไม่ได้เชเราบอกเราจะเริญนเมตตาเนี่ยเมตตามันเป็นปฏิบัติต่อธรรมะอะไรต่ออกุศลอะไรเมตตาเมตตาเป็นปฏิบัติต่อกรรมราคะหมายความเรามองคนเนี่ยสวยหล่อเนี่ยด้วยเมตตาเนี่ยแล้ยังมีจิตกำหนัดในทางเพศไหม ถ้ากำหนดในทางเพศแสดงว่าเมตตาเทียมไม่ใช่เมตตาแท้แต่ว่าตัวข้าสึกตรงตรงข้ามจริงๆคือกิเลสประเภทโทสะจะเน้นไปที่ตัวพยาบาทนะฮะแต่จริงๆจะเป็นความไม่พอใจไม่ยินดีความหงุดหงิดความรำคาญความโกรธความปัสสายไอะไรก็ได้ก็ไม่รบววากันก็นั่นคือกิเลสที่ตรงกันข้ามกับเมตตา หรืว่าเราบอกว่าเรามีศรัทธาเนี่ยมันต้องขจัดอสสัตติยคือความไม่เชื่อได้ต้องขจัดความเครียดแข็งตองใส่ได้ต้องขจัดความโลภได้ต้องขจัดความโกรธได้นะฮะมาแล้วแต่ความเข้มข้นของขาวนี่คือหลักการสาคัญคือปกติไม่ค่อยได้ฟังแต่พอฟังแล้วตกใจนะฮะว่าท่านดังมากนะะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเหลือเกินว่าสอนธรรมะอย่างนี้น่ากลัว แล้ผลสุดท้ายในยที่ทําคัญเคยจากจากข้อสังเกตว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยอ้างอาจารย์ไม่อ้างพระพุทธเจ้าแปลกมากเลยแล้วมาก็เคยเตือนในที่ประชุมพระธรรมทูตตอนนี้มลวยบัญรยายโรมก็เตือนสติท่านนะบอกว่าครูบาอาจารย์เราก็คือครูบาอาจารย์เราแต่ว่าธรรมะนั้นเป็นของพระพุทธเจ้าพระพเจ้าเป็นธรรมราชาไม่ต้องสนใจหรอกครูบาอาจารย์เราจะว่าอย่างไงอะ่ะดูพระพุทธเจ้าว่าอย่างไง ครูอาจารย์เราเป็นบุตรชนไม่ใช่เป็นพระอาจารย์เราสมานสมุทธ h a แต่ข้าจะผิด ก, กับเรื่องของท่านนะคนเราก็เป็นไปตามกรรมของตนเองเราไม่จําเป็นจะต้องไม่รับมระดกบาปจากท่านเหล่านั้นแต่ท่านสมัครใจจะทําก็เรื่องของท่านแต่เราก็เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเราเชื่อมั่นในพระธรรมเราเชื่อมั่นในพระริยส่งนะพระเจ้าว่ายังไงพระธรรมแสดงว่ายังไงพระยะงิยส่์พระพฤทธปฏิบัติอย่างไงเราก็ยึดถือตามนั้น ส่วนคนอื่นก็เป็นเรื่องคนอื่นถ้าท่านพูดถูกต้องไม่ใช่ท่านถูกต้องแต่ว่าท่านเข้าใจถูกต้องเพระธรรมะนั้นมีความถูกต้องอยู่แล้วหรือท่านจะพูดหรือไม่พูดเนี่ยก็มีความถูกต้องอยู่แล้วนี่คือปัญหาที่น่าห่วงท่านทั้งหลายอจะเห็นว่าอรมาชอบอ้างพระไตรปิดกชอบอ้างหลักธรรมแต่ละข้อเนี่ย ถึงนักวิจารณ์สมัยนี้เนี่ยเขาว่ารุงรังในปฐาบาลีแต่ว่าตัวเองเนี่ยอ้างพระหลังเนี่ยไม่รุงรังแต่พอเราอ้างพระพุทธเจ้ารุงรังหมายความว่าย่งไงหมายความมาต้องการทําลายความเชื่อมโยงระหว่างธรรมะกับพระพุทธเจ้าเลยเพื่อโอกาสต่อไปคาดหวังว่าจะไม่มีคนนับถือพระพุทธเจ้าแล้วคนอยังไม่นับถือพระธรรมและตัวเองจะเอาจริยธรรมสากลมาเผยแพร่อย่างนั้นเลยยังไง ที่ชอบแสดงกันเยอะเหลือเกินไปเือนนี่ปรากฏทางสื่อโดยรายการต่าหากแก่นทำในหน้าสยดสยองที่สุดแสดงบ่อยเหลือเกินฟังแล้วก็ฟังไม่ตลอดสถิทีหนึ่งรู้สึกประหม่มันทําไมนะมันสื่อสร้างสรรค์เดี๋ยวไม่ค่อยสร้างสรรค์เลยคือใช้อารมณ์ไม่ได้หรอกเรื่องอย่างเงี้ยไปสอบถามใช้อารมณ์เนี่ยมันไม่ได้เรื่องแต่และเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ง่าย มันจะต้องอาศัยการศึกษาสวจสอบแล้วก็ติดตามมากพอสมควรเพรา ะ, ะนันความเห็นที่เป็นสมาธถิถิเนี่ยเราจะเห็นว่าในแง่จริงๆแล้วนี่มันเป็นญาณคือจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรียกสมาธถติถิเราเรียกสมาญาณคือหมายความว่าอารีมัตทั้งแปดประการในรับการบรัพพิสปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดเนี่ย ศีล ส, สมบูรณ์จะมาที่พอประมาณปัญญาพอประมาณพอถึงจุดนั้นนะฮะตัวยานดังกล่าวนียจะผุดขึ้นจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรียกว่ากัตยานกัตยานบางระดับเนี่ยไม่หมดกิเลสหรอกแต่ว่าหมดไปบางระดับอะเช่นปสดาบันเนี่ยก็เกิดกัตยานเหมือนกันรู้ว่าได้ทำแล้ว นี่ทุกๆุกควรกรําหนดรู้เราได้กําหนดรู้แล้วนี่สมุทัยสมุทัยควรละอะไรละแล้วนี่นิโรดนิโร ด, โรดควรทำให้แจ้งอะไรทำให้แจ้งแล้วนี่มรรคมรควรจเจริญเราได้จเจริญแล้วแต่เราก็จเจริญได้ระดับศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณปัญญางั้นก็ตั้งก็ตัดเอกรเลที่เราเรียกว่าสังโยต์ตรงนี้เรียกว่าสังโยต์ก็คืออาสาุ瓦ด้วยกันนั่นแหละแต่หมายความว่าก็ตัดได้แค่สามข้อที่ตัดได้จริงๆนะฮะตัดได้แค่สามข้อ เมื่อไปถึงพระอาหารหันต์เนี่ยยานตรงเนี้ยจะสมบูรณ์ความสว่างก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านเต็มที่แล้วก็ท่านจะหมดกิเลสอย่างสิ้นเชิงพรลสมาธิที่ควรจะจับหลักเนี่ยบางครั้งท่านเรียกว่าทิฏฐิชุกกรรมยในบุญญักกิยาวัตถุนี่สงชักับท่านใช้กับว่าทิฏฐุชุกรรมคือหมายความว่าปรับความเห็นของเราให้ตรงอ่ะ ตรงตามอะไรล่ะทรงตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้เช่นวงนก่อนโนนได้เคยยกตัวอย่างในอัรณนกสูตรเวลานี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าในอปัณนกสูตรเนี่ยมันปรากฏมากปรากฏไปในแนวข้เรียกจะเรียกว่าวัตถุนิยมหรือแนวการมสุกานิการโย ก, กตามพูดง่ายพวกนี้พวกอิเชอุเชติทิที่นั่นคือขาดสูตรหมด บางทีก็เรียกนันติกาทิติคือปฏิเสธไม่มีพวกนี้จะหนักไปทางแนวนติกตทิติคือปฏิเสธว่าไม่มีหมายความอาการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีการกระทําทั้งดีทั้งชั่วของคนนั้นไม่มีผลสัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มี ท่านผู้รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุคคลอื่นให้รู้แจ้งตามนั้นก็ไม่ดีคือปฏิเสธพระพุทธเจ้าไอ้หลักตรง น, นี้ที่จริงควรจับไว้เลยนะพระพุทธเจ้าส่งประลกขึ้นเองเนี่ยส่งประลกขึ้นเองแล้วก็ส่งอธิบายเองอธิบายแก่ประชาชนชาวมหาสาราอยู่ในแคนกุศลนั่นเองโรับสารว่าทั้งสิบประการเนี้มีอยู่แท้แต่คนเหล่านี้เห็นว่าไม่มีความเห็นเขาก็เป็นวิชฉาทิจจิ ก็ไปคิดว่าไม่มีความคิดเขาก็เป็นมิจฉาสังกปะคือคิดผิดเขาพูดว่าไม่มีก็เป็นมิจฉาวาจาคือวาจาที่ผิดเขาไปกล่าวกกล่าวชี้แจงแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นนิ่นตามคอยตามว่าไม่มีเนี่ยชื่อว่ามีวาทะเป็นปฏิปักษ์ต่อพระหันทั้งหลายในโลกจะประสบบาปรกรรมไป็นอยมากมันไม่เด็กเสียหายอะไรที่เราจะเชื่อเรื่องเหล่าเนี้ย ตรงนี้ท่านทั้งหลายเราสังเกต ด, ดูนะฮะถึงแม้จะมีสิบข้อก็ตามจริงๆมันเป็นเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัตรเพื่อแง่เรื่องกรรมก็ผลก็กรรมแล้วกับเรื่องพระาญาณของพ ร, รงะพุทธเจ้าเช่นการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิติกรรมต่งตางๆไม่มีผลตลอดเป็นการกระทาดีทําชั่วของคนไม่มีเนี่ยไอ้ น, นี่ก็คือเรื่องเงกรรม แน่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีแต่สัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีห้าอย่างนี้ก็คือเรื่องสงสารวัตรทีนี้ท่านผู้รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุคคลอื่ น, นรู้ตามไม่มีเนี่ยก็คือตถากตะโพธิถ า, เ, าเห็นหมมันก็มีสามข้อในพุทธานานั้นได้แสดงหลักเอาไว้ว่าในกรณีที่เราไม่มีพลัง ปัญญามากพอต่อการไม่ได้ใยตัดสินนะอย่าอวดดีมากเกินไปให้เชื่อคนที่น่าเชื่อที่สุดในโลกนี่คือพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราเพื่อต้องการอะไรแต่สอนด้วยความมนุเคราะห์ต่อสาวโลกเพื่อประโยชน์เกือเ้อกูลด้วยความสุขแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่อเป็นการนกรอดชต่ชวโลกตอนถ้าเราเชื่อเอาไว้เนี่ยปัญหาว่ามันมีความเสียหายอะไรหรือเปล่า ก็นี่ความเสียหายอะไรเลยนะฮะเพราะจะเป็นเหตุให้เราละชั่วประพฤติดีอย่างน้อยเราก็เป็นคนดีในชาติปัจจุบันตายไปแล้วแม้จะไม่มีนรกสวรรค์ก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดมีนรกสวรรค์ขึ้นมาล่ะแล้วเกิดผลบุญผลบาปมีจริงขึ้นมาล่ะที่จริงผลบุญผลบาปเราก็เห็นกันนะดูข่าวังซือพิมพ์ได้ทุกวันนะจะเห็นกันอยู่ว่าผลบุญผลบาปมีจริง นะในโกสวรรค์ม yeah, hm ีหรือไม่มีแต่เราไม่มั่นใจเราก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงแสดงว่ามีนะเราก็เชื่อทำนั้นตัวละารในพุทธศาสนามันเยอะเหลือเกินนะฮะยางในเปตะวัตถุนี่มันพูดเรื่องเปรตโดยเฉพาะเลยวิมานวัตถุนี่พูดเรื่องสวรรค์โดยเฉพาะเลยโภมาสังยุทธนี่พูดเรื่องพรหมโดยเฉพาะเลยเทวตาสังยุทธ์นี่พูดเรื่องเทวดาโดยเฉพาะเลย มันมหาศารมากๆเลยนะคําสอนเกี่วกเรื่องเหล่านี้แล้วอย่าพูดนะฮะอย่าพูดว่าก็สอนมาก่อนคําว่าสัพพัญยูเนยคือรู้ทุกอย่างเนี่ยคือหมายความว่าคล้ายๆกับว่าในสถานที่หนึ่งเนี่ยมันมีแสงสว่างคเขม้มขมัวอยู่มันก็พอเห็นอะไรบ้างในใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็มีคนจุดแสงสว่างขึ้นตรงนั้น เ, นเต็มที่เลยแล้วก็เห็นรายละเอียดไอ้สิ่งที่เขาเห็นอยู่ก่อนก็เห็นด้วยนะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น ันคําสอนในพุทธศาสนาจึงมาจากการศัสรู้โดยเฉพาะแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันยอมรับหลักการที่เขาสอนอยู่แล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็เอาหลักการเหล่านั้นมาปฏิรูปปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีผลในทางประพฤติปฏิบัติขึ้นบางอย่างก็ปฏิวัติเขาวต่นนั้นเองแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือเป็นผลตรงมาจากการศัสรู้คือเรื่องใหญ่นะเพราะงั้นคนเราถ้าเคารพหลักการเนี่ย มันไม่เคยมีปัญหาสลับซัซ้อนอะไรแล้วแต่ปัญหาว่าเราใช้หลักกูมากเกินไปหน่อยจากการสังเกตนะฮะเวลามีความขัดแยง้ง ม, มีเรื่องอะไรที่ปรากฏในระาศาสน า, าเป็นกลุ่มพวกเดียวกันเนี่ยฮะจะปกป้องคุ้มครองโอบพุ้ ม, ม, ม, มกันจนลืมไปว่าหลักการของพระพุทธศาสนานั้นทุกคนจะต้องช่วยกันทํารงรักษาบายยาทําลาย พอเราเป็นผู้อาศัยศาสนาไม่ใช่ศาสนาอาศัยเรานะฮะเราตายได้นะฮแต่ศาสนาต้องอยู่เราออกไปจากศาสนาได้แต่ว่าศาสนาก็ต้องอยู่นะเพื่อเป็นคุณอุปการต่อโลกและต่อสังคมตลอดไปในในอนาคตกาณ์นา น, น, านที่สุดเท่าที่จะนานได้ทุกความกัานไรแต่เรปปาพระโญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง อ, อกงามไปบูรณนธรรม จะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี